การปฏิบัติที่เรียกว่าครบเต็มทั้งสมถะและวิปัสนาเมื่อแยกโดยบุคคลผู้ประสบผลสําเร็จในการปฏิบัติตามวิถีทั้งสองนี้ผู้ได้รับผลสําเร็จตามวิถีแรกคือผู้ได้รับผลสําเร็จตามวิถีของวิปัสนาญาณิเรียกว่าปัญญาวิมุตต์คือผู้หลุดพ้นด้วยปัญญาถ้าว่าอย่างเคร่งครัดเป็นสุขวิปัสสกะซึ่งได้สมาธิ ถ, ถึงฌาน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 ปุบเพนิวาสานุสติยานการระลึกชาติได้ 6. อาสวัคขยายานยานอย่างรู้ความสิ้นอาสวะส่วนผู้ปฏิบัติตามวิถีแรกคือวิธีของวิปัสสนาญาณิกจะได้เพียงความสิ้นอาสวะหาได้ผลสาเร็จพิเศษต่างๆที่จะเกิดจากฌานไม่ข้อควรทราบข้อที่2ผู้ปฏิบัติตามวิถีที่สองคือวิธีของสมถญาณิก